อนาปติวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัคือส1 0 1้อภิกษุออกปากา uh ขาากอเพศสัตว์ตามที่เขาปรารณาไว้ 2. พภิกษุออกปากขอเภศสัตว์ในราตรีตามที่เขาปรารณาไว้ 3. พภิกษุออกปากขอเพศสัตว์ว่าท่านปรารณาพว ก, กอัตมาด้วยเพศสัตวเหล่านี้และพว ก, กอัตมาก็ต้องการเ like, พศสัตว์นี้และนี้4ภิกษุออกปากขอเพสัตวว่า uh ปาฏรีที่ท่านปรารณาผ่านไปแล้วแต่เรายังต้องการเพศัด 5. พิกษุออกปากขอเพศัดจากญาติ 6. พิกษุออกปากขอเภศัดจากคนปรนารณา 7. พิกษุออกปากขอเพศัดเพื่อพิกสูจน์ 8. พิกษุออกปากขอเภศัดที่จ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน 9. พิกษุนวิกลจริต 10. พิกษุต้นบัญญัติมหานามะสิกขาบทที่7จบ